กำหนดให้รู้ให้เข้าใจทุกมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความอยากเกิดมาจากทราบความเกิดอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เพราะว่าเรามีกายอันเนี้ถือว่าเราว่าของของเราทั้งๆที่เขาไม่ทราบเรื่องเราก็หลงเขาอยู่ตลอดเวลาชอบเขาอยู่ตลอดเวลารักษาเขาอยู่เอาใจใส่เขาอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างในดูแลรักษาปฏิบัติเพื่อจะให้เขายินดีอยู่กับเราแต่เขาก็เป็นไปตาหน้าที่ของเขา เ, ลเลวลาแจกเ้าจะมนึ่งห่มประดับประดาของที่มีห้ามากมายขนาดไหนตายอันนี้มันก็ไม่ยินดีเลื่อมใสว่ามันจะไม่แจกมันก็แจกไปตาหน้าที่ของมัน มันห้ามไม่ได้เรื่องของกายอันนี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันเป็นตายตามหน้าที่ของมันแต่เรากลงมันอยากให้มันอยู่กับเราเรื่อยไปอยากให้มันได้อย่างใจของเราชอบมันเป็ใไปไม่ได้ถ้ามันเป็ใไปไดไม้มีใคร <c oughs> ที่เขาจะตายกันเขาตายกันนั้น ไม่ใช่เขาอยากตายโดยส่วนใหญ่ตายไปด้วยความจําเป็นหรือความทนไม่ไหวหรู่ความทุกข์เกิดขึ้นจากชาติความเกิดเป็นสาคัญแก่มันกิมาจากความเกิดโรคภัยมันก็มีความเกิดมันจึงมาอาศัยจะเป็นโรคอะไรก็ตาม ทำไมมีกายอันนี้ไมมีเกิดอันนี้ความแก่ความเจ็บความตายมันจะมาจากไหนอแต่ทำไมมันจิงดากเกิดเกิดมาแล้วทำไมมั น, นจิงจิตในครอบครองตัวว่ามันสุขมันสบายมันดีมันเด่นแต่ก็เห็นก็รู้อยู่บางการบางเวลาเหมือนมันป่วยหนักมากมันไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายให้ ใจไหนมีธรรมนีม่แต่ห่วงแต่หวงสิ่งของอันนั้นสิ่งของอันนี้กลัวคนนั้นจะทุกข์กว่ากลัวอันนั้นจะเสียหายไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้อยู่มันเป็นทำรนองนั้นใจที่ไหนมีมอาจมีธรรมใจมีอาจมีธรรมถ้านหมาเป็นอย่างนั้นความทุกข์ของกายความทุกข์ของขันธ์ท่านก็ทา ว่าอันนี้เป็นทุกข์ยิ้มเมื่อจะมีเกิดอยู่เมื่อไรจะเป็นอะไรนันก็มีทุกข์อยู่อย่างนี้เดี๋ยวจะมายินดีกับทุกข์กับโทษกับเกิดกับตายอย่างนี้หรือปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความอยากของใจให้ตกไปถ้าปัญญามันไม่เกิดมันแก้ไขไม่ได้ นี่การติดข้องของจิตของใจพอเราขาดธรรมะขาดปัญญาถ้ า, าเรามีธรรมะมีปัญญาเราสามารถที่จะเน้สอนใจของเราให้รู้แจ้งเข้าใจจริงทุกสิ่งทุกประการตามเป็นจริงของมันได้นีม่มันยังไม่เห็นในต็นอย่างนั้นก็รีบศึกษาเพื่อปฏิบัติจำ มันมีวันมีเวลาที่จะเห็นจะรู้ทางหาเราพยายามทินิพิเจนาความจิตข้องของรูปตรงกันข้ามกับทานองเดียวกันพอเราสำคัญมันหมาไปยึยยดเอาเอาเรื่องเหมือนนั้นว่าเป็นของิีของดีตามสมมติมนิยมของเขาเราก็เลยหลงเคืนไป เกิดราคะความกำนังย่อมใจเมื่อไม่ได้ตามปรารถนาก็ขาตัวตายกินยาตายเมื่อมันแรงก่าดิดมามันเป็นแบบนะฉะนั้นทางธรรมะท่านจึงสอนให้มี ส, ส, สมาธิคือความสงบของใจสอนให้มีวิปัสสนาคือปัญญาที่จะสอดรู้จิตใจของตัวที่เปจิตของหัวพันต่างๆ เกิดความล้าถอนพิดแยหาความจริงของมันขาดขันของเราเป็นอย่างไรเขาเหล่านั้นก็ทำนองเดียวกันไม่ผิดแปลกแตกต่างกันแต่สมมติว่าเป็นหญิงสมมติว่าเป็นชายเท่านั้นหนังอันเดียวกันเมื่ออันเดียวกันถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟอันเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันแล้วถ้าเหล่านี้ ถ้าไม่มีความหลงข้องใจถ้าไม่มีใจนาอาศัยมันก็ไม่ผิตแปลกแตกต่างอะไรกับถอนไม้ถอนฟืนกับก้อนดินมันไม่มีความกำหนัดยินดีไม่มีความรู้ความหลงกับใครหน้าจิตของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนะั้นนี่คือความจริงของมันแต่จิตของเราไม่เข้าถึงอัตธรรมมันก็หลงเรื่อยอ ย, อยู่ตลอดมาถ้าเข้าถึง เรื่องของธรรมแล้วมันไม่มีอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นคาลาวาเป็นพระมันเป็นอันเดียวกันหมดถึงถ้าดินกับดินเหมือนกันน้าลมไฟเหมือนกันอากาศวิญญาณเหมือนกันนี่คือความรู้ของธรรมะที่ไปแก้ไขจิตใจที่มีปัญหาคือความอยาก ถ้าพิจารณาลงถึงขั้นตอนของมันจริงจังมันจะแก้ไขให้ใจของเราที่คองจิตนั้นขาดไปทราบได้เห็นได้แต่ก่อนมันเคยชอบเคยยินดีโยนี้มันเป็นอย่างไรมันจะต้องดูจิตดูใจของตัวผู้ภาวานาจะต้องดูภายในดูใจของตัวเรื่อยไปจิงไดที่มันเป็นภัยแก่ใจ หากฝืนนึกคิดเรื่อยไปมันก็เดือดร้อน่านจริงให้ทําจิตให้สงบเสียก่อนเ <c oughs> มื่อจิตสงบสิ่งที่มันเป็นภยัยเป็นข้าสึกศัตรูที่เราเคยติดขวางมา ก, ก่อนเราจะนํามาพิจารณาเมืนะ่อมันยันแก้ไขไม่ได้ไม่เกิดปัญญาในใจจะต้องทําความสงบลงไปอีกแล้วนําเรื่องนั้นมาพิจารณาอีก คือ ท, ทำงานไปเรื่อยๆจนงานมันเสร็จมันสิ้นไปใจมันไม่หลงไหลใจมันไม่ติดข้องพอเห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงจังเราอย่างไรเขาอย่างนะั้นไม่ว่าอาดีตอานาคตรหรือปัจจุบันมันเหมือนกันคนที่ใฝ่ฝันลุ่มหลงนี่จะทุกข์จทโทษไม่มีความสุขไม่มีความสบายให้ นอกจากความหลงค้องใจแต่คนไม่หลงเท่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรก็เห็นตามเป็นจริงเอราะมันอยู่ตลอดเวลาจะมีอะไรมาปิดบังพอปัญญาแทงทะลุไปหมดมันไม่ดูแต่เพียงหนังดูเข้าไปถึงภายในคือเอ็นกระดูกกับใจไส้พุิต่างๆ อะไรมันสวยงามที่หน่ากำหนัดยินดีมันจะต้องดูให้ทั่วเพราะของเหล่านี้มันเป็นจริงอย่างนั้นเราไม่ตาหนิมันแต่มันความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรหน่ากำหนัดน่ายินดีถ้าพิจารณาด้วยจิตเป็นธรรมถ้าจิตไม่เป็นธรรมมันก็ไปมั่นหมาย มาอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่มเพิ่มหลงไหลใฝ่ฝันอยากจูบอยากชมอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยไปนี่คือใจใมีธรรมมีตัณหาความอยากมีความหลงเป็นเรื่องปิดกัน้นกำบังเอาไว้ใจอวิชาคือรู้ไปรู้ผิดผิดเห็นผิดผิดไม่เห็นตามเป็นจริงให้ ขันจึงหายสำลาดใจสั้งวรใจใจนี้เหนือรักษาได้สั้งวรระวังดีโอกาสเวลาของอกุศลธรรมจะไม่เกิดขึ้นนิวรทั้งห้าจะไม่ครอบงําจิตใจใจจะมีสมาธิสมาบัติเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นวิหารธรรมของใจ ใจสถานที่ใดกม็มีภัยอันตรายพอใจคลองตัวไม่ชั่วไม่เคียใจคลองตัวในอยู่ไม่เจี่ยวทั้งๆสิ่งเหล่านั้นมันมีมาแต่เรายังไม่เห็นยังไม่ได้ยินแต่เราเห็นเราได้ยินแล้วเราลุ่มเราหลงเรามาแก้ไขความลุ่มหลงคลองใจรู้หลงหล ง, ลงนี่แหละให้รู้จริงขึ้น มันจึงหมดภาระหมดปัญหาหมดความยุ่งเกี่ยวมีความสงบตลอดเวลาจะเห็นจะได้ยินก่อตามจะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินก่อตามสิ่งเหล่านั้นทราบจากการที่นิพพานาทราบจากการละการถอนของใจไม่มีอะไรที่จะเป็นภยัยว่าไปที่นั้น อยู่ที่นั้นเห็นอันนั้น จ, จิตใจจะเกิดอย่างนั้นจิตใจจะเกิดอย่างนี้นี่คือการําระสาสางใจถึงขั้นตอนที่มันขาดจากโลกเราจะเห็นจะทราบจากการปฏิบัติของตัวถ้ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นรีบระวังรักษาเหมือนกันกับคนไข้อย่าไปกินของแสละโรคภัยที่มันมีอยู่ มันจะกำเริบได้รับความทุกข์ความลำบากรีดทานยาลงไประวังรักษาของสแสลงเอาไว้เพราะยามีหน้นาที่กำจัดโรคภัยให้หายขาโรคภัยทางใจก็คือกิเลสตัณหา ย, ยาก็คือธรรมะสติปัญญาศรัทธาความเพียรต่างๆเราจะต้องนำมาที่นิ้ที่เจ้านะ ต่างหน้าต่างตาเจริญรักษาในจิตประยุ่งเกี่ยวพัวพันกับสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษต่างๆจิตเหนื่อยมืสี่อยู่นี้สี่อาศัยมันโกสุโกสบายเยือยกเย็นทุกการทุกเวลาถึงไก้เดีตัณหาไม่ได้ปัญญาการกระทำความผ่าความเพียรของเราก็เกิดขึ้น วันนั้นได้รู้อย่างนั้นวันนั้นได้เห็นอย่างนี้มีความปีติยิ่มใจในการปฏิบัติของตัวนี่คือผู้ภาวนาปู้ตั้งหน้าจะเป็นสมณะคือผู้สงบตลอดการตลอดเวลาทาั้งๆั้งที่มีทุกข์มีโทษอยู่เหมือนกันกับคนธรรมดาแต่ใ จ, ใจของท่าน รู้แจ้งในเรื่องเหล่านี้ตามเป็นจริง่านจริงไหมมีทุกมีโทษกับเขาเราทุกคนปรารถนาความสุขความผลทุกอย่างนั้นการมาบวชก็คือการเว้นจากความชั่วที่ตัวเคยทำเคยฝูดเคยคิดจึงเรียกว่านักบวชคือผูเว้นจากชั่วจากเสียต่างๆเราได้เว้นขนาดไหน ที่เราบวชเขามาจายเว้นมาได้เป็นบางอย่างบางอันมาจาก็เหมือนกันแต่จิตใจของเราเราได้ตรวจตาพิจนาไหมเมือ่อจายเว้นมาจาเว้นออกมาได้ใจมันยังชอบยังติดอยู่หรือมันมีความสงบเป็นสมณะหรือยัง้ามันยังก่หมั่นพิณิพิจนาหมั่นศึกษาหมั่นแนะสอน หากเพียพรพยายามเข้าในอย่างนั้นจะไม่เกิดความดีวิเศษอะไรให้บวชก็เพียงแต่บวชเรื่องของกายส่วนใจมันไม่บวชให้มันยังเป็นเศษเป็นผีเป็นโจรเป็นมารหาผลหาจีตคนนั้นคนนี้อยู่ทั่วไปนี่คือใจที่ไม่มี ขอบเขตไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมะในตัวจงรีบรักษาพยายามทำความผากความเทียนทางกายทางใจให้มากเขา้าทำของพระพุทธเจ้าสื่สอนไหละสื่สอนไหบาเทนมันมีอยู่ในตัวของเรามันไม่มีอยู่ที่อื่นพุทธธรรมสงมันมีอยู่ในตัวของเรา พุท ธ, ธะคือผู้รู้เรารู้ชสื่ดีผิดถูกเราพอรู้ร้อนหนาวเรารู้โลภโกรดหลงเรารู้ความส ง, งบของโลภโกรดหลงเราก็รู้ถ้าหากเราหมดพืตอปฏิบัตินี่คือพุท ธ, ธะเป็นของที่มีคุณค่ามากคนไม่มีพุท ธ, ธะคือคนตายไม่มีคุณค่าสารอะไร คนที่ยังมีลมหายใจอยู่คือคนมีพุท ธ, ธะแต่รักษาพุท ธ, ธะให้ถูกให้ไปทางดีให้มีธรรมะเป็นเขื่องรักษาเขื่องทรงไวอย่าปล่อยใจให้ไหลไปตามเรื่องของกิเลสตันหาทรงไว้ในธรรมะที่ท่านสอนศีล ท, ที่ท่านสอนให้รักษา จะเป็นสีนธรรมดาหรืออธิศีนก็ตามให้เห็นให้เป็นในจิตในใจของตัวสมาธิปัญญาก็สแสวงหาทําขึ้นมันไม่อยู่ที่อื่นเราต้องฟงไว้โดยใจของเราในคุณงามความดีต่างๆให้เพียงพอบริบูรณ์สังฆผู้ปฏิบัติจะเอาใครมาปฏิบัติให้ ปฏิบัติกายวาจาใจนี่เอเมื่อเราปฏิบัติไปตามทํานองครองธรรมเป็นสุปฏิปันโนคือดีปฏิบัติไม่ชั่วไม่เสียไม่ไหวศีลไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาไม่ไหววิชาริมุตเราปฏิบัติเรายังไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ทั้งที่สุดเราก็ปฏิบัติเพื่อจะให้เห็นให้เป็นให้รู้อุสุให้ตรงต่อ คำสอนของพระพุทธเจ้าจงต่ออาจต่อธรรมยายะปฏิบัติเพื่อจะออกในปฏิบัติเพื่อจะเข้าปฏิบัติเพื่อจะข้ามในปฏิบัติเพื่อจะอยู่ในโลกในส่งสารต่อไปสามีจิตชอบยิ่งพระพุทธเจ้าอาริยสาวกท่านเป็นอย่างไรใจของเราเป็นอย่างนั้นไม่มีทางสงสัยเพราะความบริสุทธิ์ ในสมัยพุทธกาลกับความบริสุทธิ์ในสมัยนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันคนอื่นในสมัยนั้นกับคนอื่นสมัยนี้ก็ทํานองเดียวกันคนหิวในสมัยนั้นกับคนหิวสมัยนี้ก็มีทํานองเดียวกันยังไม่มีอะไรที่จะสงสัยถ้ามันหมดกิเลสตัญหาในใจความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราจะทราบพุทธธรรมสังฆะมันมีอยู่ในกายในวาจาในใจของเราทุกคน ควรสนใจควรพิจารณาควรนำมา <c oughs> ประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นให้รู้จึงจะได้ชื่อว่านักปฏิบัติจึงจะได้ชื่อว่ า, วาสมณนะผู้สงบไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนปลอมอยู่เรื่อยไปวิเลี่ยจะเป็นศาสดาจูงจมูกเรื่อยไป ไม่มีวันมีเวลาที่จะผนทุกผนภัยในวัฏสงสารได้ถ้าเชื่อเรื่องของมันแต่นั้นขอทุกท่านจงตัง้งนาตั้งตารีประพฤติปฏิบัติรักษากายวาจาใจของตัวด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อทุกท่านหมนั่นพิจารณาหมั่นรักษาสังอรจิตใจของตั ว, ท, วที่เฉ่วยที่เสียกว่านัาวันเวลาที่จะตกออกไปหล่นออกไปหลุดออกไป ใจก็จะสะอาดท่องใสมีความสุขความเจริญในศาสนาการอธิบายธรรมเห็นว่าพอสมควรเจเวลาพ อ, อยุติเพียงแค่นี้เจวัง